วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของพระอาจารย์จำเนียนนะคะที่ท่านได้ไปพบกันกับสิ่งเร้นลับนะคะในตอนกลางวันค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์จำเนียนขณะที่ท่านเองอยู่ที่วัดสุคทนทาวารช่วงออกพรรษาแล้ว ท่านบอกว่าอัตมาได้เดินทุดงทุกปีไปไหนระหว่างออกพรรษาเงินก็ไม่เอาไปไหนก็เดินหรือว่าจะมีญาติโยมช่วยจ่ายค่ารถให้เป็นตอนๆบางครั้งก็มีพระติดตามช่วยจ่ายค่ารถให้บางแห่งก็ได้มีลูกศิษย์รับส่งให้เป็นช่งชวงๆบ้างตอนนั้นอัตมาไม่จับเงินเพิ่งจะมาจับเงินอยู่ที่วัดถ้ำเสือนี่เองเพราะว่าเป็นประธานสงฆ์ต้องรับผิดชอบมากมายในกิจที่ต้องใช้เงิน อาตมาได้ออกเดินธุดงทุกปีบางปีก็ได้เจอเสือเจอช้างบางปีไปถึงเชียงรายเชียงของไปเพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆจากผู้รู้ไปอยู่วัดนั้นคืนหนึง่งวัดนี้คืนหนึง่งแล้วก็เดินธุดงต่อไปมีอยู่ครั้งหนึง่งอาตมาเจอพระภิกษุแก่องค์หนึ่ง ซึ่งท่านเองก็เดินป่ามานานแล้วก็มีความชนานาญในเส้นทางของประเทศขเขมรประเทศลาวแล้วก็ประเทศพมา่าอาตมาก็ได้ถามหลวงพ่อว่าท่านจะไปทางไหนหลวงพ่อท่านเองก็บอกว่าผมจะไปทางพมา่าอาตมาก็ขอเดินทุดงไปด้วยจนกระทั่งเข้าพม่า ก, กับท่านท่านก็บอกว่าอย่าโกนคิ้วนะอยู่เป็นพระพม่าไปเลยแล้วเที่ยวได้หมด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 แต่ว่าดูได้ถ้าพูดด้วยมันจะหายไปทันทีอัตมาก็เดินตามหลังท่านไปก็คุยเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างแล้วท่านก็ชี้ให้อัตมาดูพร้อมกับบอกว่าเห็นหรื อ, อยังละ่ะอัตมาก็เลยบอกว่าเห็นแล้วแต่งตัวเหมือนพวกกระเรี่ยงนะ่ะเต็มยศเลยตาเนี่ยไม่ปิดลืมตาไปตลอดไม่กระพริบเดินหันหลังให้เราเดินไล่ไปเลยไล่ไปให้ทันพอผีกระเรี่ยงเดินออกข้างทางก็หายแวบไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ มองหาก็ไม่เห็นก็เลยถามหลวงพ่อไปว่ามันหายไปไหนหาไม่เจอหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเห็นเหมือนกันว่ามันเดินออกข้างทางแล้วก็หายไปทันทีแล้วหลวงพ่อก็พูดต่ออีกว่าท่านอยากเห็นอีกไหมล่ะถ้าท่านอยากจะเห็นอีกต้องค้างคืนที่นี่หรือว่าย้อนหลังไปก็ได้นะแล้ววันพรุ่งนี้ออกเดินทางก็จะเจออีก คุณผู้ฟังคะผีกรเกี่ยงตนนี้เป็นผู้หญิงอายุประมาณ3ามสิบปีวิธีดูว่าเป็นคนหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นอมนุษย์หรือไม่ใช่เป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่ตานะคะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องกระพริบตาแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณเขาจะไม่กระพริบตาถ้าแปลงกายมาเป็นมนุษย์ตาจะสีแดงกว่าตามนุษย์ ถ้าเป็นพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์ตาก็จะมีสีฟ้าถ้าเป็นเทวดาแปลงกายมาตาก็จะเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ทุกประเภทถ้าเป็นวิญญาณแล้วจะไม่กระพริบตาอีกประการหนึ่งคือเท้าจะไม่ติดพื้นจะลอยอยู่สูงจากพื้นดินนิดนึงทีนี้หลวงพ่อจำเนียนท่านเองก็เลยบอกกับหลวงพ่อที่เดินทุดงไปทางพมา่าด้วยกันเนี่ยนะคะบอกว่าเย็นมากแล้วหลวงพ่อไปพมา่ากันดีกว่า ตกลงก็เลยเดินทางกันต่อไประยะทางก็ห่างออกจากหมู่บ้านกะเหี่ยงมากจวนจะมืดพอดีค่ะก็เลยหาที่ปักกลดกันหลวงพ่อท่านก็เลยพูดว่าจะปักกลดตรงนี้เหรออัตมาก็เลยบอกว่าจะปักตรงนี้เหรอมันมีรอยช้างนี่แล้วรอยเท้าช้างก็มีขนาดใหญ่ช้างคงตัวใหญ่มากหลวงพ่อครับพ่อผมเป็นพระธุดงมาก่อนท่านบอกว่าเวลาปักกลดอย่าไปปักที่ทางช้างเดินทางลมพัดแรง หลวงพ่อก็เลยตอบกลับมาบอกว่าผมเดินป่ามานานมากกว่าคุณนะราวห้ิปีได้แล้วดูสิว่ามีแมลงมุมชักใหญ่ที่รอยช้างละช้างไม่ผ่านมานานแล้วท่านอาตมาพูดต่อไปอีกบอกว่า ก, ก็ถูกอย่างที่หลวงพ่อว่าแต่พ่อผมบอกว่าถ้ามันกลับมามันก็จะเดินเส้นทางที่เคยเดินมันจะไม่เดินออกนอกทางเรื่องของคุณนิมนต์นิมนต์ผมปักตรงนี้แล้ว อาตมาก็เลยไปปักกลดอยู่อีกแห่งหนึ่งตรงจอมปลวกแล้วบนจอมปลวกนั้นก็มีต้นไม้อยู่ก็เลยเอาเหล็กขอเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้แล้วก็ขึงลงมาแขวนกลดซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่หลวงพ่อปักกลดมากพอสมควรพอตกดึกเกือบเที่ยงคืนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดมีเสียงไม้หักดังสะเทือนไปหมดเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอเข้ามาใกล้ๆก็มองเห็นว่าเป็นช้าง อาตมาก็คอยดูว่าถ้าช้างมันหันหัวมาทางอาตมาอาตมาก็คงจะต้องวิ่งอย่างเดียวแต่ไม่เห็นหลวงพ่อถอยไปไหนท่านยังคงอยู่ในกรดพอช้างไปหมดแล้วเงียบไปหมดเลยกรดของหลวงพ่อก็มืดอาตมาก็คิดว่าช้างทั้งโคลงก็คงเหยียบยิ่งกว่าทำนาซะอีกแน่นอนว่าหลวงพ่อคงต้องนอนมรณภาพอยู่ตรงนั้นแต่ก็จะลองเรียกท่านดูหากท่านยังไม่ตายก็จะหาว่าเราไม่มีเมตตาก็เลยลองเรียกท่านดู หลวงพ่อครับหลวงพ่อครับก็เรียกอยู่หลายคำท่านก็เลยขานบอกมาบอกว่าครับครับอัตมาก็หาหลวงพ่อว่าอยู่ตรงไหนได้ยินแต่เสียงก็เลยเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นกรดของท่านเนี่ยม้วนกลมเลยหลวงพ่อเล่าบอกว่าช้างตัวหัวหน้ามันมาถึงก่อนแล้วมันก็จับกรดแล้วก็ตัวของท่านม้วนไปทั้งกรดแล้วก็วางไว้ข้างทางแล้วมันก็หันหน้ามามองมันยังยืนเฝ้าอยู่เลย มันสะบัดหูดังปุ๊กปักปุ๊กปักได้ยินชัดเจนดีแต่เห็นไม่ชัดเห็นแต่เงาแล้วก็งายาวๆขาวๆ ข, ข, ของมันจนโขงช้างเดินไปหมดหัวหน้าช้างก็เลยเดินไปแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเห็นนี่แหละอาตมาก็เลยตัดสินใจตัดกรดเอาท่านออกมาปรากฏว่าขาและแขนหักท่านเดินไม่ได้ปวดบวมและเจ็บมากอมารอจนรุ่งเช้า อาตมาก็ไปตามพวกกระเรียงลูกศิษย์ของท่านเพื่อให้ช่วยรักษาเขาบอกว่ายาดีไม่เกินเจ็ดวันก็หายเดินได้เหมือนเดิมส่วนอาตมาก็ขอเดินทางต่อไปคนเดียวก็เลยไปพม่าไม่ได้เพราะไม่มีใครนาทางกลับไปเชียงรายดีกว่าก็ถามทางเขาว่าทางไหนไปเชียงรายก็ต้องเดินตัดภูเขาอาตมาก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงต้นไม้ใหญ่นึกว่าจะนั่งดีหรือว่าจะนอนดี แต่พอมองผ่านต้นไม้ใหญ่ก็เห็นเสือลายพาดกลอนแมลูกอ่อนตัวใหญ่มากสัญชาตญาณกลัวตายก็เอากลดที่แบกเนี่ยปักลงไปแล้วก็เอามือป้องกันตัวก็ว่าถ้าเสือมาทางไหนก็ถูกกลดก่อนสําหรับเสือแม่ลูกอ่อนก็มองแล้วก็ถอยหลังนิดนึงพอลูกมันวิ่งมันก็วิ่งตามลูกไปเลยอาตมาก็เลยต้องเดินต่อไปข้ามภูเขามาออกที่เชียงรายใช้เวลาเดินทางอยู่3วันก็ถึงเชียงรายทีหลังไม่เอาแล้ว เพราะว่าอาตมาเดินป่าไม่ค่อยชํานาญเย็นก็เย็นมากยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยหนาวเย็นจนแทบนอนไม่ได้เลยทีเดียวต้องลุกขึ้นออกกําลังกายพอถึงเชียงรายแล้วอาตมาก็ขอถุงพลาสติกเพราะว่าเอาผ้าคลุมไม่อยู่มันเย็นเฉียบเข้าไปข้างในอาตมาก็เลยเอาถุงพลาสติกมารัดที่มือที่เท้าพอร้อนก็ต้องเอาออกทําสลับกันไปเรื่อยๆอาตมาก็เดินทางผ่านหมู่บ้านกะเหลี่ยงชาวบ้านก็เตือนบอกว่า ในหูบเข่าข้างหน้าเนี่ยมันมีงูซึ่งดุมากไปถึงก็เจองูจงอางเข้าจริงๆมันชูคอยกหัวขึ้นขู่สูงมากอาตมาก็เอาผ้าชุบน้ำมันถือไว้คอยดูพอว่ามันมาใกล้ก็จุดไฟเหวี่ยงใส่แล้วก็วิ่งเลยอาตมาเดินทางเรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านของพวกกะเรี่ยง พวกกระเหรี่ยงที่เป็นชาวบ้านนี่ก็บอกท่านไปที่แห่งอื่นได้ทุกที่แต่อย่าไปหูบเขานั่นเพราะว่าพระหลายองค์เดินไปหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยซึ่งในป่ารกนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยพวกกระเหรี่ยงก็ไม่กล้าพวกมูเซอร์ก็ไม่กล้าเข้าไปพอใครเข้าไปก็หายไม่ได้กลับมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเป็นอาถรรพ์หรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้อาตมาก็เลยบอกว่าต้องไปเพราะว่าอยากรู้ว่าทาไม ชาวบ้านก็เลยบอกว่าพวกอยากรู้น่ะที่ว่าอยากรู้ก็ไปตายกันทั้งนั้นท่านอยากรู้เป็นองค์ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันก็เลยทําให้อัตมานึกถึงว่าสมัยญี่ปุ่นเข้าเขาเล่าว่ามีงูใหญ่อยู่แล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยเดินผ่านเข้าไปก็ตายกันเป็นแถวเกือบหมดแต่คนหนึงเอาปืนไปพิงไว้เพราะดูว่ามันจะหายไปไหนก็เลยสลับลงมาพอดีถูกปืนเกิดเลือดไหลลงมาก็เลยรู้ว่างูก็เลยเอาระเบิดไปทิ้งจนขาดเป็นท่อนๆ เขาเล่ากันมาอย่างนั้นอาตามาคิดว่าต้องเป็นงูแน่ๆก็เลยให้เด็กกระเหรี่ยงคนนึงตัดไม้ไผ่ยาวมาให้เดินค้ำไปข้างหน้าค้ำไปเรื่อยๆคิดว่าเจองูมันยับก่อนแทงไปทางโน้นทีแทงไปทางนี้ทีแทงลงดินทีพอไปถึงริมป่าริมเขาเขาก็บอกว่าพระไปแล้วหายพอแทงลงไปในดินมีตัวต่อบินขึ้นมาเป็นหมื่นๆตัวเลยน่ากลัวมากตัวใหญ่ยาวๆตัวใหญ่เกือบเท่าหัวแม่เท้า ใหญ่กว่าหัวไม่มือสักนิดหนึ่งก็ยาวน่ากลัวนะสีดําขึ้นแล้วก็ลงวุบหายไปเอาใบไม้มาปิดทันทีอะไรวะก็เอาไม้แหย่ลงไปอีกทีก็ขึ้นตูมบินขึ้นมาอีกแล้วก็ลงวุบหายไปใต้ดินแล้วก็ดับใบไม้เร็วมากปิดปากหลุมไว้อัตมาเห็นดังนั้นก็วิ่งไปหากะเหลียงบอกว่ามีตอมีตอตัวใหญ่ๆเขาถามว่าอยู่ที่ไหนต่อหอยนะ่ะ อยู่ในรูดินเอาไม้แยงปุ๊บมันขึ้นมาพอขึ้นมาเป็นหมื่นๆมื่นตัวเลยนะพวกกะเรียงก็เลยบอกว่าต่อห้อยต่อหอ ย, อหอยดังลั่นหมดมาหมดหมู่บ้านเลยมาถึงก็บอกให้อัตมาออกมาซ้ายอย่าไปยืนดูอัตมาก็ออกเขาก็จูงมือออกมาห่างๆเขาไม่ให้ดูว่าเขาทำอะไรเขาเอาใบไม้ไปสุมไว้ใส่เข้าไปเป็นกองแล้วก็จุดไฟเผาพอสมไฟมันก็บินขึ้นมาก็ถูกไฟตายหมด ความร้อนข้างในทำให้อากาศไม่มีต่อหอยก็เลยตายหมดทั้งรังพอตายหมดแล้วเขาก็พาอาตมาไปดูแล้วเขาก็เอาไม้พาดไวให้อาตมาลงไปดูก็เห็นเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่เป็นชั้นๆแต่ว่าทำไมพระหายไปบาทก็ไม่เหลือทีแรกก่อนที่จะเผาเขาก็บอกว่าอยากดูไหมเอากระดูกไปพันผูกกับไม้แล้วก็แทงใส่ลงไปมันกัดกินจนหมดไม้ก็แหว่งไปด้วย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 อาตมาไม่ได้ลงไปหรอกดูอยู่ที่ปากหลุมเขาก็ทำกระไดลงไปกันเขาบอกว่ากินกันทั้งหมู่บ้านไม่หมดหรอกกินกันได้เป็นเดือนๆต่อหอยน่ะอันตรายอาตมาก็รอดไปได้อีกทีหลังใครไปที่นั่นอีกก็ไม่ตายแล้วละ่ะที่นี้มาพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ ท, ท่านได้ไปเผชิญกับเหล่าวิญญาณห่วงสมบัติที่ภูควายระหว่างที่ท่านออกทุดงไปตามป่านั้นท่านเองก็ไปเจอกับสัตว์ร้าย มีอะไรบ้างที่เจอเจอแล้วมันกระทํากับท่านอย่างไรท่านเล่าให้ฟังไว้แบบนี้ค่ะกูเจอกับพวกเสือพวกช้างกูจะไปทําอะไรกับมันเจอกันซึ่งซึ่งหน้ามันก็มองกูกูก็มองมันแล้วกูก็กําหนดจิตถามหรือบอกมันไปว่ามันกับกูเคยก่อเวรกันไว้หรือเปล่าเมื่อชาติก่อนนี้ถ้าเคยก่อเวรผูกพันกับเองไว้ก็เอาเลยเองจะฆ่าจะแกงฆ่าอย่างไรก็เอาแต่ถ้าหากว่าเองกับฆ่าไม่เคยผูกเวรกันไว้เองหลีกทางให้ฆ่า ซึ่งเป็นพระธุดงออกมาเพื่อสแสวงหาสัจธรรมไม่ได้คิดมาเบียดเบียนใครในป่านี้ทั้งนั้นขอจงหลีกทางให้ข้าไปเถอะไอ้พวกนั้นมันก็หลีกทางต่างคนต่างไปมันก็เท่านั้นเองแล้วถ้ามีใครถามท่านไปถึงเรื่องที่ว่าท่านเคยเจอกับพวกพูดผีปีศาจบ้างไหมแล้วหลวงพ่อเจอมันที่ใดแล้วมันทาอย่างไรกับหลวงพ่อหลวงพ่อคูนท่านก็จะบอกเล่าอย่างสํารวมนะฮะว่าไปป่ามันก็ต้องเจอกับผีสิวะ ป่าช้าในนั้นก็มีผีทั้งสิ้นแต่ตอนที่ข้าไปเจอบนภูควายนั่นเนี่ยข้าเจอกับมันหลายตนเหมือนเจอกับผีในโรงศพที่อยู่ในป่าช้าหลายตัวนั่นแหละที่บนภูควายถ้าใครใจไม่ถึงก็ลำบากเหมือนกันหลวงปู่คุณปฎิสุธทธิทท่านก็ได้เมตตาเล่าให้สิทธิยาณุสิตของท่านฟังต่อไปนะฮะบอกว่าวันนั้นข้าไปถึงที่ภูควายมันเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วข้ากําลังจะขึ้นไปบนภูควายข้าก็เจอกับชาวป่าเข้าพอดีเขาเห็นเข้า เขาก็ถามว่าข้าจะไปไหนข้าก็บอกกับมันว่าข้าจะไปขึ้นภูควายเขาก็ทำตาโตบอกกับข้าว่าอย่าขึ้นไปเลยบนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายเสือก็ร้ายช้างป่าก็เกเรเคยฆ่าพระทุดงข้าชาวป่าตายมาแล้วผีก็ดุหลวงพ่ออย่าขึ้นไปเลยนะขอรับมันทัดทานข้าอย่างให้เห็นเป็นจริงเป็นจังข้าก็บอกพวกชาวป่าพวกนั้นว่าข้าไม่กลัวมันหรอกข้ามีอาวุธของข้ามาข้าจะกลัวอะไรกับพวกมัน ชาวป่าก็เลยถามค่ะว่าไหนมีอาวุธอะไรผมไม่เห็นมีอะไรเลยเออค่ะมีสี่อาวุธของข้าก็คือสัจธรรมที่องค์ตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนข้าไว้ว่าถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาไม่เคยก่อเวรกับเข้าไว้เขาก็ไม่มาเบียดเบียนเราอาวุธของข้าก็มีอยู่แค่นี้ขอบใจนะที่เป็นห่วงข้าหลวงพ่อคูณประดิษฐ์ทโทรบอกกับชาวป่าไปแล้วท่านก็ออกเดินทางขึ้นภูควายไปถึงบนนั้นก็เป็นเวลาเย็นมากแล้ว ท่านได้สำรวจที่หมายเพื่อหาที่พอเหมาะแก่การปักกลดปลดบริคานจากนั้นก็ส่งน้ำพอแก่อัตภาพพระธุดงจากนั้นท่านก็เข้ามานั่งทอดสายตามองทัศนียภาพไปรอบๆก็ไม่เห็นว่ามีสิ่งใดแปลกปลอมเหมือนที่าชาวป่าที่บอกไว้มันก็เหมือนป่าทั่วๆไปไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรว่าที่นี่จะเป็นที่น่ากลัวมองไปรอบๆแล้ว ถ้ำลงท่านก็ทำกิจสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งปวงทั้งสิน้นจากนั้นท่านก็ทอดเอริยบทพักผ่อนเป็นครูใหญ่ท่านเข้าสมาธิจิตไปเรื่อยๆจนยามหนึ่งไปยามสองและหลังจากยามสองล่วงไปหลวงพ่อคูณท่านก็ถอนสมาธิผ่อนลมหายใจพอสบายจิตสงบนิ่งอยู่กับตนเองมองออกไปนอกกรดมันมืดไปหมดไม่รู้ว่าเป็นเวลาใด ได้ยินแต่เสียงของรีดริ่งเรไรเสียงร้องกันระงมไปทั่วทั้งป่าสลับกันบางครั้งก็จะได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่ๆส่งเสียงร้องเป็นบางครั้งซึ่งท่านก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะว่าจิตของท่านสละแล้วทุกอย่างท่านนั่งอยู่ในกรดปล่อยให้จิตว่างไปเรื่อยๆมากำหนดเห็นสิ่งผิดสังเกตเมื่อทั้งป่ามันเกิดเงียบสงัดเสียงรีดริ่งเรไรหรือว่าจะเป็นมแมลงสัตว์ปีกเล็กๆเมื่อครู่ที่ร้องกันระงมแต่ว่าเดี๋ยวนี้หยุดนิ่งเงียบไปแล้ว ลมที่พัดมาโชยแผ่วเมื่อครู่นี้แต่ว่าตอนนี้ลมพัดอู้เหมือนฝนจะตกแน่นอนแล้วเฉียวฝนคงจะตกอีกเดียวเดียวท่านนึกไปมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจอะไรและท่ามกลางลมพัดอู้มานั้นก็มีเสียงคล้ายเสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์สอดแทรกมากับเสียงลมแววมาหลวงปู่คุณท่านเงี่ยหูฟังว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ก็พยายามจับใจความหรือว่าจับกําหนดดูมันก็คล้ายคลย ก, กันกับคนพูดกัน แต่ใครจะมาพูดกันจอกแจ๊กจอแจบนภูยามดึกสงัดแบบนี้หลวงปู่คูณท่านตะแคงหูฟังจับใจความว่ามันเป็นเสียงคนท่านได้ฟังเสียงแผ่วๆใจความว่าพวกเราสีเหลืองเหยื่อของเรามาปักกลดอยู่บนถิ่นเราอีกแล้วเอาเลยเอาเลยในเมื่อมันรุกล้ำถิ่นของเรามันไม่เข็ดไม่หลบับมันมาตายกันก็ตั้งหลายคนคนนี้คงไม่รอดพวกเราไปได้หรอกพร้อมกับเสียงหัวเราะ เมื่อมีเสียงมากระทบหูอย่างนี้จะเป็นอะไรหรือใครไม่ได้นอกซะจากเสียงผีหรือไม่ก็รุกขาเทวดานางไม้แต่ไม่ใช่แน่ถ้าไม่ใช่แน่แล้วปีศาจเป็นแน่เมื่อจิตกำหนดว่าเป็นปีศาจท่านก็อยากจะรู้เรื่องของปีศาจพวกนี้เป็นพวกไหนกันแน่ต้องการอะไรเผื่อระงับช่วยเขาได้ก็จะช่วยเขาไปหลวงปู่คูปริสุท์โท ท, ท่านก็เลยเข้าสมาธิจิต ดึงจิตเข้าสู่ฌานสมาบัติกำหนดจิตถอดออกไปหรือจะเรียกว่าส่งกระแสจิตออกไปสำรวจสำรวจว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ในขณะที่ถอดจิตส่งออกไปมันเหมือนเป็นตาเห็นในที่เห็นนั้นท่านได้บอกว่า เห็นว่ามีผู้คนทั้งหญิงชายเป็นจำนวนเป็นร้อยกว่าคนเลยก็ว่าได้มีผู้ชายและก็ผู้หญิงจำนวนหนึ่งนั่งมาบนคานหามบอกลักษณะว่าคนคู่นี้น่าจะเป็นนายหรือหัวหน้าและหญิงชายที่นั่งบนคานหามนั้นจะต้องเป็นนายและเป็นผัวเมียกันคนพวกนี้แต่งกายบ่งบอกว่าเป็นผู้มีอารยะธรรมที่เจริญมาแล้วแต่ไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสมัยใดในจิตของท่านก็กาหนดส่งออกไป ได้เห็นว่าขบวนคนกลุ่มนี้เนี่ยพากันเดินมุ่งหน้ามาทางกรดที่หลวงพ่อคุณปักอยู่ท่านได้เห็นในจิตนี้เหมือนฝันนั้นว่าพวกคนนี้ได้ยกคานหามของคนสองคนลงมาวางห่างจากกรดที่ปักไปเล็กน้อย mm. เมื่อมองเห็นในจิตอย่างนั้นหลวงพ่อคุณท่านได้ส่งกระแสจิตออกไปถามเหล่าสัมภเวสีว่าโยมจะพากันไปไหนล่ะมากันมากมายมีอะไรจะให้อัตมาช่วยก็บอกนะ อาตมาเป็นพระมาสแสวงหาสัจธรรมอาตมาไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วขอหาความเป็นอมตะของสังขารความเวียนว่ายตายเกิดนั้นจนหยุดนิ่งมันอยู่ที่ใดที่ค้นหาเช่นนี้ก็เพื่อเอาหนทางที่พบนั้นไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปมีอะไรไหมหรือจะมาฟังธรรมะมของอาตมาที่ได้รับคำสอนมาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไหมอาตมามาดีไม่ได้มาร้ายหรอกมาดีอย่างไร มาก็ไม่บอกไม่กล่าวแดนนี้เป็นถิ่นของพวกเราท่านมาลุกแก่อานาจได้อย่างไรมาในแบบนี้ไม่รู้หรือว่าเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่นักต่อ น, นักแล้วออกไปซะถ้าไม่อยากเหมือนพวกก่อนๆท่านเหมือนขโมยเข้ามาในถิ่นไม่บอกไม่กล่าวท่านนั้นสมควรตายโยมอาตมาไม่ทราบว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นของโยมในอดีตเป็นมาอย่างไรล่ะ เมื่อเป็นถิ่นของโยมอาตมาก็ต้องขออภัยเพราะไม่รู้จริงๆไหนโยมลองเล่าความเป็นไปในอดีตให้ฟังซิแล้วอาตมาจะให้สัจธรรมขององค์พระสัมมาสัพมพุทธเจ้าตอบแทนอาตมาเป็นลูกตถาคตอาตมาหลุดพ้นแล้วเรื่องกิเลสขอค้นหาสัจธรรมได้โปรดเพื่อนมนุษย์แค่นั้นละ่ะคือสิ่งที่มุ่งหมายของอาตมาก็ได้ในเมื่อพระคุณเจ้าไม่รู้ก็จะเล่าเรื่องให้ฟังแดนของเรานี้เดิมเป็นถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองมาก แต่แล้วเมืองของเราก็ต้องล่มลงผู้คนล้มตายด้วยเกิดโรคระบาดไม่สามารถมีใครช่วยใครได้เราสองคนเป็นพระราชาและพระราชินีเห็นผู้คนล้มตายลงโดยที่ช่วยเขาเหล่านั้นไม่ได้จึงได้ฆ่าตัวตายพร้อมกันแต่ด้วยความห่วงแหนสมบัติพระสถานซึ่งเป็นสมบัติของเมืองเรากลัวจะตกเป็นของคนอื่นเมื่อตายลงกันหมดแล้วด้วยความห่วงสมบัติวิญญาณของเราทั้งหมดจึงมาอยู่คอยเฝ้าสมบัติ เราอยู่มาช่วนาตาปีหลายกลับหลายกันแล้วฉะนั้นใครมาในถิ่นนี้พวกเราก็เข้าใจว่าเมื่อมาในถิ่นของเราคงจะมาเพื่อจะเอาสมบัติของพวกเราที่เฝ้าอยู่อย่างห่วงแหนอ๋ออย่างนี้หรือโยมอัตมานี้ไม่ได้มาเพื่อหาสมบัติแต่มาเพื่อค้นหาสัจธรรมมาเอาบุญมาเอากุศลหาสัจธรรมไปโปรดเพื่อให้พวกญาติโยมของอัตมาได้หลุดพ้นพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะ อย่าได้ยึดติดอยู่กับภพบนี้นิพพานตัางหากที่จะหลุดพ้นไปไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนิพพานเป็นแดนอมะตะตะถาคตเจ้าพระองค์ท่าน ท, านทรงสอนไว้อย่างนั้นพวกท่านจงเชื่ออย่างนั้นเถิดนี่คือแก่นแท้แน่นอนเชื่อเราเถอเจ้าค่ะพวกเราเห็นแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราไม่เคยได้ยินอัทธรสในเรื่องนี้มาก่อนเลยสาธุ พวกเราเดินหลงทางซะนานมายึดติดอยู่กับสมบัติพั ส, สถานสิ่งเหล่านี้ถึงทําให้พวกเราไปผุดไปเกิดไม่ได้พระคุณเจ้าได้โปรโดให้พวกเราได้หลุดพ้นไปทีเถิดเจ้าค่ะและขออโหสิกรรมให้พวกเราด้วยที่ได้พูดจาล่วงเกินคุกคามพระคุณเจ้าไปเมื่อครู่นี้ไม่เป็นไรหรอกเราเอโหสิกรรมให้พวกท่านจงรับพรรับบุญรับกุศลจากเราไปเถิดนะจงตั้งใจรับผลบุญที่เราจะแผ่ให้ท่านในบัดนี้ ท่านจงไปเลือกพบที่ดีไปเกิดเอาเถอดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขกายสุขใจทั้งสิ้นเถิดขอท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นไปณบัดนี้เทินสาธุสาธุ เสียงสรรเสริญดังไปพร้อมๆกันและบัดนั้นในจิตของหลวงพ่อคูณได้เห็นกลุ่มควันลอยคลุ้งตลกม้วนตัวสู่เบื้องบนนั่นแสดงว่าวิญญาณของผู้นั้นอยู่ที่บนภูควายได้หลุดพ้นบ่วงกรรมไปผุดไปเกิดในวาระนั่นเองและหลังจากคืนนั้นบนภูควายก็ไม่ปรากฏว่ามีวิญญาณที่ดุร้ายมาให้พบผ่านอีกต่อไปพอถึงรุ่งอรุณวันใหม่ท่านก็ออกไปโปรดสัต อันเป็นกิจของพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำแม้ว่าจะออกธุดงในป่าหาผู้คนไม่ได้ก็ตามการออกบินทบาทของพระธุดง์ไม่หวังว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่แต่ต้องทําเพราะพระธุดง์ท่านถือเรื่องการบินทบาทเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเหมือนกัน นี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธ ท, ที่ไปผจญกับพูดผีวิญญาณหรือว่ามิจฉาทิฐินะคะอยู่ที่ภูควายมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะหมดเวลาสําหรับพระเจอผีประจําวันนี้แล้วขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังยังไงก็ขอฝากให้คุณผู้ฟังกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดถูกใจในแฟนเพจพระเจอผีด้วยนะคะหากคําพูดคําจาไหนผิดพลาดก็ต้องกราบขออาภัยไว้ล่วงหน้าด้วยพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปขอบ คุณที่ติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ